งานสบายนอนหลัเลยตันบงานสบยเนี่ยรูบดีเต็ม อย่างนอัน <drie Who>? ี้ทำมันก็เ t ็นเลี้ยตัยนไปแต่นั่นอยู่เราอันนี้ทำอ่ ส <referrals. S 2> <espresso S 1> ัมมาจิตตจาระนี่เป็นสัมมาของเรว่าตัจจะคือความมีความสิงใจต่อกันเช่นสามีก็มีความสิงใจในภรรยาของตัวภรรยาก็มีความจริงใจคือสัตยุทริต่อสามีของตัวนี่เยกว่ตจจะคือ ติดใจมั่นในครอบคัวในหัวเมียของตัวว่าจะเป็นตัวนตู่อยู่รวมกับคนอื่นใ น, ung, ใน ajo, ตัวพืดนอกจิดนอกใจของกันและกันทางมีความผู <Pe> ้สัต์สุจริตมีสัจากความจริงใจในกันแล้วผู้สามีภรรยาผู่นั้นก็ตั้งมั่นในดัก เดียวหลายเู้ชายกับอแฟนใหม่เอวายิ่งกับกึกหนกนอกใจงสามีนอนเจนอย่างนี้่องครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเป็นสุขไม่ได้เกิดทะเลาะบ่บ่แหว่งกันหรือ่ากันยิงกันอย่าร่างกันเพขาดกรจะ กินใจต่อกันหากมีสัจจะตั้งมั่นก่อนที่จะแต่งงานแล้วขอเลือกสัจจะสรรหาตามความพอใจของเราอย่าในโลกเราเห็นถึงคนนี้ว่าจะเป็นสุวรรณาของเราจะบำลุลุ ปกติไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเขาไม่ว่าเราบางสิ่งบางอย่างบางการบางเวลาเราอาจจะไม่พอใจในคำพูดหรือการกระทาของเขาสิ่งที่เขาทำออกมาไม่ว่าฝ่ายผู้หญิงไม่ว่าฝ่ายผู้ชายเขาใการสนใจเอาไว้พอเ ไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยกอเกิดโกรธยั้งกันห่าดีกันอย่างนี้ก็ทำให้ครอบครัวนั้นเสียหายตังหลักฐานไม่ด้เพราะการจิตใจกันการโยงเกินจากนิดหน่อยนั้นมันมีไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา มันม <Ừ. S 1> n นะแต่พอให้อภัยกันผ่ใจเอาไว้ใจของเราเองแต่ยังมีบางการบางสมัยทำไม่ได้ตามใจตัวเองคุณอยากไปคนอื่นถึงงอกเงือจากเราพอทำนองเดียวกันนั้นให้คิดอย่างนั้นแล้วให้อภัยกันไปผู้ผู้ชายอาจคิดไปรับงตัว อย่าไปแก่ตัวว่าทำถูกถ้าหากต่างคนผลใจเอาไว้ความคิดเยียงกันตัวน้อยลงไปลดลงไปเพาะมีความผลใจเอาไว้ไม่ปล่อยไปตามลำทางใจของตัวที่ชอบนี่คือธรรมะธรรม จำเป็นต้องปูกอยู่วมกันสายสามีภรรยาจะต้องรักษาจะต้องมีธรรมะขอนี้เอาไว้ทันติรือทิฏฐิคือความอดใจอดทนในการงานทด้นอดทนในการ คิดหาต่างๆให้อภัยแดกุฏิฝ่าพื้นหลบหลูตัวนี่คืันติความอดทนถ้าไม่มีความอดทนพอเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีความอดทนเอาเลยอย่างนั้นจะอยู่ด้วยกันยืนยาวไม่ได้ อยู่ด้วยกันต่อมีความสุขกายสุขใจทานจรงมีขันติหรือทิ่ฐิทำเอาไว้ทํานรของกาลว่าทําของผุคลองเรียนจะลคือยอมเสียสละทิฏฐิมานะของโทผาผัดจิดไปนิดหน่อยหน่อยหรือแต่มานะว่าเรา เป็นผู้ดีเป็นผู้ี้เศ ษ, เ, เ, ศษเขาพูดี้เศษผลก็ไม่เชื่อฟังเขาเป็นอย่างนี้บอกดนะ้วนนั้นก็ไม่เจริญเก้าหน้าเป็นจากธาตะภายในก็ยอมเสียสละยุคมาณทางใจจากธาตุภายนอกก็ยอมเสียสละเข้าของ สี่ตัวหามาได้เลียแผ่จ้าครอบครัวหรือคนอื่นควรให้ถ้าททั้งสีข้ออยู่ในใจครอบครัวนั้นตั้งมั่นครอบครัวนั้นงสุกถึตายจะโลภไปกมีความสุความสบายเพราะปฏิบัติถูกต่อตามธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้หมายถึงธรรมของคาราวาที่จะต้องปฏิบัติเฉพาะบ่วงในเรื่องเหล่านี้ทุกคนที่เป็นก่อของคนแม่ของคนเคประจกพบมาว่าันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็ดือดอนาจามแข็งใจความขอมใจความมีสัจจะตั้งมั่น ต่อการเป็นทนทานมาได้เพราะทุกคนจะมีจิตชติบางทีเขาไม่พอใจนแต่เขาก็มใจของเขาเอาไว้บางทีเราก็ไม่พอใจกับเขาแต่ก็มใจเอาไว้เฮยหายหายมีความสุขความสบายเกิดขึ้นใหม่ดวเอ่ ม um, ีประจำโลกมาตั้ง่ไหนแต่ไรเพราะนี้ยว่ามนุษย์สัตว์ก็ท่านองเดียวกันที่เกิดมาในกาลโลกยอมยินดีในเรื่องของกาที่เขาจะในแต่งงานเขามีแฉะมั้สู่ขอมามันมัประจำอะไรเหมือนมนุย์เราสัตว์เขาก็มีความเกี่ยวข้องควบคัในเรื่องการเหมือนกันกับมนุษย์ ในคำว่าการมโลคือโลกเหตุกามยินดีในกรรมมันมีเกวยกันทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเหล่านี้โดยไม่มีคือมาให้ความรู้ความลัดอะไรในมีคือมีอาจารย์มาแนะน มันก็เจนขึ้นจากจิตจากใจเราเกิดอยู่ในกามโลกกามเล่ส่วนนั้นมันเกิดขึ้นมาเองโดยทเดไปศึกษาอารมณ์พอเกิดโตขึ้นมาไม่ว่าผู้หญิงไว่าผู้ชายไม่ว่าสัตว์มันเป็นของมันเองในจิตในใจจริวกามี่ยหรืกามโลก คือการปฏิบัติอรรถธรรมที่จะหนีจากกามโลกนี้เป็นของยากของลำบากเพราะจิตใจมันเคยโจรเคยติดเคยคล้องเคยยึดเคยถือในเรื่องเหล่านี้มานับพนับชาดไม่ได้ต้องอาศัยการฝึกอบรมใจให้สูงขึ้นไป จึงจะพ้นไปจากเรื่องของกรรมได้การฝึกใจที่จะให้มันเบื่อหน่ายตายกำหนัดเจินทิสเจินไพ้เจินโทษของกรรมนั้นจะต้องอาศัยทำมาอาศัยสติอาศัยปัญญาเบื้องต้นก็อาศัยศีลรักษาธรรมจันทร์ของตัวไว ไม่ปล่อยจิตใจหรือกายวายจาให้ไปเกี่ยวข้องเพราะไปเกี่ยวข้องทางกายทางวาจาหาเเกี่ยวข้องทางจิตจิดทำ ม, มีสติรักษามีปัญญาคุ้มครองจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกขณะ ยินดีเจราสังขารร่างกายในทางที่เป็นของปฏิกูลของไม่เสี่ยงบดยบอกเห็นว่าร่างกายของมนุษย์เราเป็นไปด้วยของกุกปรกของไม่สะอาดให้ว่าอาหารการขบฉัน อยู่ภายนอกตามผ้่ตามจารตามหมาะตามสนตามหายหรืออยู่ที่ใดกาตามเราเห็นเาเรามีความอยากงเกียจการป็นองกตะกแต่เหนือมาถึงาของเราเกี่ยวเข้าไปกหน้าหลายของเราของที่ อ ร, อร่อยน่าอยากน่ากิน น, นั้นชายออกมาดูแล้วบอว่าทราบได้มาเป็นของปฏิกูลไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปสู่ป่าอีกนะยิ่งลงไปสู่กับเพาะอาหารลำไส้ของที่เราขดสันหือรักษานลงไปกับปฏิกูลมาเข้าผลทีจุดบาบของอาหารห น, นั้นลึก ออกมาต่งออกมาอาสาธรรมดาเยวาวชนกลิ่นของมันในเหมือนเดิมไม่ น, น่าอยากหน้าดมแต่อยู่ในถ้วยในจานเป็นไปอีกอย่างพอเข้าไปสู่ปากสู่ท้องสู่ไส้หรือร่วนไหลออกไปจากกายของเราเป็นของประจิจคูลโสโครมาก เพาะในตัวของเรานี้มีแต่ของปฏิกูลไม่มีอะไรสวยสดงดงามไม่ว่าที่ใดถ้าหากที่จรนาทางธรรมะเรื่องของกายนี้เต็นไปด้วยขีไม่มีอะไรที่พอจะอวดเขาได้ว่าอันนี้งามอันนี้สวยอย่างนั้นอย่งนี้ ไม่มีแต่ถ้าหลับคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะในจิตในใจหลงไหลไฟฝันหรือว่าร่างกายนะั้นสวยงามพอเขากระดับระด้งเขาตกเขาแตกถ้าปล่อยเอาไว้ไม่มีการหน้าก็ม่มีการล้างสกทีปากกว่า ม, มีการล้างสกที ในในการสำลักสักทีฟันขึ้นมันจะเป็นอย่างไรต่าออกมาขวัญในีมาแรงวันยุแรงตามันวิ่งบ่อนมันเหน็นมันเน่าฟันทํำไมสำมันนานเข้าเอาเฉียงไปขับคงจะอยู่ก็มุมของฟันสี่ของฟันมันติดเกิดฟันออกมาทุกวันทุกเวลา แต่นั้นจึงสองํำละกันหมายถึงว่าร่างกายของพวกเราท่านเป็นของปฏิจกูณไม่ใช่ของเคยสดงดงามพอที่จะลุ่มจะหลงแต่ด้วยอำนาจวิเลตันหาสัญญาอารมณ์ซึ่งเคยมักดองจิตใจมาก่อนและเคยปลูสเติมสอนจากคนอื่นมาอีกว่าคนนั้น เสี้อย่างนั้นคนนี้งามอย่างนี้สัญญาอารมณ์ที่เราเคยจดจำคำของเขาพูดท้งจิตเลดได้ใจมีอยู่ก็เลยเกิดชอบพอบยินดีว่ามันสวยกว่ามันงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเมื่อเราพิจารณาตามมูเลเหตุของมันไม่มีอะไร ที่แต่งสวยแต่งงามพอที่จะเป็นทีดลุ่มที่หลงขีดควรกำหนัควรยินดีควรจุควรกดอก่อนของอาสุภาอสุครก่อนของขีดไมใจ่ของดีของดีของสวยของงามนี่คือทางพิจารณาตรรมะกามจเรจับใจหาพิจารณาไปในทางเป็นธรรมะ ให้จิตรู้จิตเห็นเข้าใจชัดเจนความหล n นหลงเกิดเกิดในเรื่องของการก็คอยจะเบาบางไปหรือหลุดหล่นไปเพราะของเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขความสบายอะไรแต่พวกเราหลงไหลไม่ได้ใครคิด ในอดในธรรมยิงฟ้ากันโจนอยู่ในเรื่องของกามเลื่อยมาเมื่อไม่แก้ไขก็ไม่ thấy, ม, มีทางที่จะหลุดหล่วงไปจากเรื่องของการดังนั้นนักพจน์ผู้ก่อพฤ่อปฏิบัติทางศาสนาจึงควรนำธรรมะของพระพุทธเจา้ามาสอนใจมาชำระใจมาล้างใจที่มืดดำาสกโปกให้ฝา่า ไม่ใช่มาวัดมาบวชการ ม, มาัจจิเลสเหล่านะั้นมันจะหลุดจะล่นไปเองมันไนม่เป็นอย่างนั้นต้องอาศัยการทิณิจฌายนาการสำลักตักขอบจิตใจของตัวอาศัยศรัทาธาความเชื่อในธรรมะของภูฏายเจ้อาศัยปริยะความเพียรพยายามบังคับใจขับไล่กิเลส ในจะสมเมื่อมันเกิดขึ้นรู้จากปัดมันไปปล่อยมันไปอย่าไปเก็บมันไว้พอมันเป็นทิศเป็นไข่นำธรรมะมาชำระมันให้ใจมันปล่อยมันวางมันละมันถอนจากความอุ่งจุงจิตมนกจิตข่อนในสัญญาอารมณ์หนนั้นนี่คือการชำระใจเพื่อจะ คนไปจากกามจิเนจากราธาตันหาแต่เป็นของฝึกยากไม่ใช่ของง่ายเหตดนั้นนัดบวชที่มีธรรมหายยากยิ่งกว่าของมีค่าในโลกเท็ดลอยของคําสิ่งเขาคือว่าเป็นของมีคุณค่าของโลก พอหาได้มีเงินมีทองจะไปซื้อตามท<า>องตลาดมีเท่าไรก็พอหาซื้อได้เพราะเขามีขายกันแต่แนนจิตใจผิดของใสหลุดลอยออกไปจากที่เหลดตันหามานาทิพย์นี้มีที่ไหนเขาขายกันแต่มีเงินมี พันกี่หมืน่นีแสนกี่ล้านไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครข า, ายกันนอกจากคือดูนั้นจะชำระจริตชำระใจข้องตัวให้ดีเองจิ่งใจเย็นคุณค่าสาระของธรรมว่าเป็นของดีของประเสริยึ่งกว่าเรื่องของโลกผูกกับพิจิบัติ จึง ค, ควรสอบสวนที่พิเจนาะดูแลรักษาจิตของตัวยิ่งเป็นวันพระเข้ามาภาวนารักษาศีลก็ยต้องตวจตาที่เจนาเรื่องจิตใจของตัวให้ได้อย่างน้อยก็ให้มีความสงบความเย็นใจอย่าให้คิดให้ปุ้งให้ติดให้ขอ้อในสัญญาอารมณ์ให้กับถึงเป็นอดีต ผ่านมาอย่างให้กุไปทางหน้าววันกุ่มนี้จะไปทาอันนั้นเดือนนั้นจะไปทาอันนี้กาหนดจิตเอาไว้ให้อยู่ในวงของอัดของถ้ให้อยู่ในปัจจุบันความหลงไหลไฝฝันต่างๆคนจิตเขาตายไปพอถ้ามันเดียวมันกับเราเหลงไหลใฝฝันเขาอยากได้แสวงหา แต่เขาไปได้อย่างไรเขาไปด้วยควาเป็นของเขาเพราะทุกคนอยู่ไม่ได้กายอันนี้ยืมเขาอยู่ในใจของของเราในวันใดกว่าวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากเขาไปเมื่อนีไปขอภายนอก ไก่นาเรียกสวนเข่าควงเงินทองต่างๆอย่าไปหวังว่าจะหอบหิวหาบถามไปได้เพียงแก่กายของตัวเขาเอาะไปเผาไปฝังเราก็เอาไปไม่ได้อีกไปเกิดใหม่ก็จะต้องอาศัยดุญกรรมเท่านั้นพาพวกเราถันไปเกิดไม่ใช่จะเอากายอันนี้ไปเกิดอีกเราไปกอเใหม่ตั้งเอาใหม่แต่เรามี บุญกรรมดีเราก่อเกาได้ดีทําได้ดีแต่เรามีบุญกรรมน้อยแล้วก็่อเกไมดีทํำไม่ดีหงันกันกับวัสดุต่างๆที่เราหามาปลูกสร้างบ้านเรือนาวัตถุนั้นมันดีเราก็ทําได้ดีบ้านเรือนของเราาวัตถุที่เราหามาได้มันใหม่ดี ขาดขาดตกตกมาทำเข้ามันก็ไม่ดีการเรือนของเราเสียพักเสียอาศัยนี่พบชาติต่อไปก็ทำนองเดียวกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสะสมบุญกุศลคือคุณความดีเอาไว้พบชาติของเรายังไม่หมดสิบเราทราบอยู่เรื่องทิเหลือตัญหาในใจมันยังไม่มีอะไรตกหลนน่นออกไป เมื hi, like. th ed, th right, and, ่อ mm มันยังมีอยู่อย่างนี้จะปฏิเศษเท่าไรกว่าพวพชาติใหม่จะไม่มีนั้นนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะจีเลตมันยังมีมีอยู่ในใจภบชาติจะต้องมีอยู่จีเลตหมดเมื่อใดภพชาติจึงจะหมดไปฉะนั้นเหลืองของดานชำระจิตใจจึงเป็นเรื่องจําเป็น รกระทำบาเพ็ญทุกท่วนหน้าพยายา ม, มข่มขีตใจของตัวโดยสติ้วยปัญญาศีนควรรักษาตามฐานะหนา้หนาที่ฆราวาสควรรักษาศีนของฆราวาสบรรดาชิดนักบวชควรรักษาสีนของนักบ ว, วกชบวให้บริสุทธิ์ุดคลองเือง่อสีน ของตัวมีไว้จำอยู่แล้วกว่าสมารที่จะทำผิดใจใส่ใส่ต่าไม่ได้ตั้งวมหุนวายเดือดร้อนแิตของเราขาดตกบกพร่งเสียหายด่างพร้อยอย่างนั้นอย่างนี้ใได้จินเนี้ยแทงใจในตัวเองนี่คืออานิสงส์ของชีว เมือมีศีลแล้วมีความเย็นมีความสุขมีความสงบแต่จริงว่าศีเลนะสุขจริงยันติถึงมีศีลเป็นสุขคติถึงยังไม่ตายจิตใจของเขาก็มีความสุขเพราะเขาเห็นศีล ข, ของเขาี่รักษาไว้ไม่มีอะไรผิดจะเสียหายไปชีเลนักโอข้ามปัตตาหญิงรักษาศีลบริสุทธิ์ผุดทองเท่าไร ท, ท่านท่านีไม่ได้ไปรับจ้างไม่ได้ไปแหนสอนศี่ไหนแต่อา น, นาจของศีลที่บริสุทธิ์อยู่ในกายในใจของเขาก็สามารถนำลาบยดต่างๆมาให้ไม่ได้อดอยากอยากจนเขินใจดูตัวอย่างรูอาจารย์ที่ท่านมีศีลบริสุทธ ก็มีคนเลื่อมใสสรัทธานำสิ่งของต่างๆมาถวายไม่ว่าอจะเป็นเสื้อผ้าหรืออาหารหยกยางต่างๆตลอดที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ยินดีที่จะเสียสละสร้างให้เขาคอต่องการบุญต่องการสุบเนี่คนี่ผองศีลที่ว่าวิเรนับโโคกับรัมปัชฐาน เกิดทร่าขตับขึ้นเพราะศีลที่บริสุทธิ์ถ้าศีลในบริสุทธิ์ศีลไม่มีเราไปทำการทำงานกว่าจะได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อแทงแถบลมแถบตายจ้นได้มาเสื้อผ้าทีมามนุมาหมก็ต้องซื้อต้องหาในอย่างนั้นก็ต้องทำเอง ยากลำบากลำคาญกว่าอาหารหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆจะเกิดขึ้นอำนาจของศีลที่รักษาให้บริสุทธิ์สามารถที่จะนำโภกาษ์ ต, ต่างๆมาให้บางท่านบางองค์ค ร, รูอาจารย์ที่นนท่านมีศีลมีธรรมบริสุทธิ์ ในวันหนึ่งหนึ่งของที่เขาเอาไปถวายทั้งเงินทองทั้งของอื่นเป็นหมืม่นๆแสนแสนกว่ามีดีกว่าคาราแจการชันเอกชันนี่เศษหรือนายกติขอสมบัติของชันมันมาโดยความบริสุทธิ์โดยไม่ไหลไปทำการทำงานอะไร แต่เขาก็เหลื่ยมสายสัตย์น้นนำมาให้นี่คือเรื่องของศีลที่นำทรัพย์สมบัติมาให้นำความสุขมาให้เจ้ากายใ จ, ใ, จใจของผู้รักษายังเป็นพื้นฐานที่จะไปสู่พระนิพพานอีกถ้าจริงว่าวิเลนะนี่คุตติยันติคุตติมีศีลบริสุทธิ์ผุดของ สามารถที่จะไปสู่พระนิพพานได้เพราะดินบริสุทธิ์พื้นที่ดีงามแล้วจะปลูกสร้างอะไรมันก็ปลูกได้ง่ายถ้าพื้นที่ไม่มีมีวัสดุต่างๆจะมาสร้างมาปลูกปลูกไม่ได้ดินจึงเป็นตัวสำคัญเหมือนแผ่นดินคนจะปลูกฝังอะไรก็อต้องอาศัยแผ่นดิน ทาจิตวิญญาณสมาธิปัญญาเป็นไกลปิกขาที่นักศาสนาจะต้องศึกษาให้ขวดถึงให้รู้ให้เข้าใจและรักษาเอาไว้ด้วยดวยดีไม่อย่างนั้นคือศาสนาแต่ไม่มีศีลทำอะไร ทำพูดพูดได้ว่าเราถือศาสนาปากเป็นธรรมแต่หัวใจเป็นอยักษ์คือการกระทําการคิดกลุ่มภายในไม่มีอะไรเป็นอาจเป็นธรรมให้เขาจึงว่าปะเป็นธรรมหัวใจเป็นอย่างคอยแต่จะจิตจะจิ้มจะฉีกเมื่อเสียหนังคนอื่นอยู่ตลอดเวลา